เรื่องพระลากุนตกะพัทิยะเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระลากุนตกะพัทิยะเทระดังได้สดับมาพระภิกษุทั้งหลายและสามเณรซึ่งยังเป็นปุตุชนยังไม่ได้พระอาริยะเจ้าเห็นพระละกุนตกะซึ่งมีร่างเล็กเตี้ยคอมแล้วเข้าไปจับที่ศีรษะบ้างที่หูที่จมูกบ้าง แล้วพูดกระเซาเย้าแย่แดกดันว่ายังไม่กระสันจะศึือกฤยยังยินดีแน่นแฟนในพระศาสนาอยู่ฤยพระเทระก็ไม่โกรธและไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกคือนักบวต ร, ร่วมสํานักเหล่านั้นเลยภิกสุสามนเนนตางวิภาควิจาร์ว่าดูเถิดท่านละกุนตกะเทระท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลยพระบรมศสาสดาทรงตรัสว่า ธรรมดาพระขี่นาศกย่อมไม่โกรธไม่พระทุศร้ายเลยเพราะท่านไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเช่นกับศิลาแท่งทึบทรงตรัสพระคาถาว่าภูกเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมพัดมาชันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็เอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญชันนั้นอธิบายคำว่าศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวคือไม่มีโรง่ง ย่อมไม่สะเทือนคือไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวด้วยลมพัดมาคำว่าลมพัดมาได้แก่อารมณ์ที่พัดเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายใจคิดนึกในอารมณ์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวเมื่อถูกกระทบสัมผัสเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รู้รสรู้สัมผัสกายรู้คิดนึกทางใจไม่เป็นโค์ คือไม่ชอบไม่ชังไม่ยินดียินร้ายเมื่อโลกธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสันเสรนินทาสุขทุกข์ครอบงามอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอน็นเอียงไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนด้วยอำนาจความยินดียินร้ายในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหล พึงควบคุมผัสสะกระทบทางตาหูเป็นต้นพิจารณาความกระทบสัมผัสแล้วรูปนามเกิดแล้วดับแล้วเกิดทางตาก็ดับแล้วที่ตาเกิดทางหูก็ดับแล้วที่หูเป็นต้นถ้าศรัทธาเชื่อมั่นคงในตถาคตโคดทศธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นนี้เป็นกรรมเก่าก็จะเข้าใจและยอมรับกรรมเก่า ไม่ต่อกรรมและไม่ก่อเวรขึ้นมาใหม่ทางใจทางวาจาและกายเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นกิริยาจิตมันสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นนั้นกิริยาจิตย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมสิ้นกรรมคือไม่เกิดเวทนาชอบชังเมื่อดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี เพราะถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพึงเริ่มต้นไม่เกิดที่ตาหูเห็นได้ยินคือเห็นได้ยินเป็นต้นแล้วไม่ชอบไม่ชังไม่อภิชาไม่โทมนัสแล้วผลวิบากย่อมไม่ดำไม่ขาวนั่นเองแต่ถ้าหากไม่ยอมรับสิ่งที่เห็นได้ยินวันนี้เป็นกรรมเก่าก็จะชอบจะชังยินดียินร้าย เกิดเป็นเวทนาตัณหาก็ต่อกรรมไปยังชาติต่อต่อไปอีกยอมเป็นวิบากดำวิบากขาวกรรมยอมไม่สิ้นวัตตาสงสารย่อมยาวออกไปพึงอุทิศบุญให้มากๆบ่อยๆเนืองๆการเผลอสติจะน้อยลงไปเรื่อยๆ